เดี๋ยวในเรื่องการขอความนอบน้อมจงมีจะมีแต่พระเรจ้าไตรนั้นก็หมายความว่าเวลาที่พระเถระทั้งหลายนียนะ่มีพระโมคคะะมีพระสารีบุตรมีพระโมคคลระนะั้เป็นต้นตลอดถึงชั้นหลังๆผ่านมาตามลําดับนี่ยนะถ้าหากว่าจะเป็นการกล่าวพระธรรมหรือในกรณีที่จะรจะนาพระคัมทีหรือจะแสดงธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะต้องแสดงความนอบน้อม คือกล่าวคํานอบน้อมเฉะนั้นการกล่าวคํานอบน้อมเหมือนกับการสวดมนต์ไหว้พรนะเนี่ยคือการกล่าวคํานอบน้อมถามว่าการนอบน้อมเนี่ยได้อะไรคือการไหว้พระรัาตและรัยในการเริ่มในการสังว ร, รณาเพื่อประกาศความบริสุทธิ์ของวัตถุที่อาศัยในี่หมหมายความว่าวัตถุที่อาศัยในยที่นั้นหมายถึงว่าที่พึ่งหรือที่ตั้งที่ระลึกทางด้านจิตใจของบุคคลที่จะ ศึกษาพระธรรมหรือฟังพระธรรมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจําเป็นมากเฉะนั้นในการที่จะพิจารณาคําสอนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือปฏิบัติทำเป็นต้นในการกล่าวคํานอบน้อมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญถามว่าการกล่าวคํานอบน้อมในวันก่อนก็สนทนากันบอกว่าเออถามว่าถ้าทำเนี่ยเกี่ยงเรื่องการกล่าวคํานอบน้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องความงมงายไหมเขาบอกอยู่ที่คนทํำมีที่คนทําทําให้งมงายก็ได้ ทำให้ไม่งมงายก็ได้ี่ทีนี้เขาก็สนทนากันมาก็ก็บอกว่าเอ๊ะบางแห่งเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่มีการกล่าวคำนอกนนายก็หมายความว่าไม่มีการที่จะสวดมนต์ไหว้พระเจริญเกี่ยวกับเรื่องการสาธยายคุณของพระพุทธเจา้าอย่างนี้นนเป็นต้นเขาบอกว่าเอ๊ะ ถามลักษณะการปฏิบัติพระธรรมนียอย่าลืมนว่าให้สังเกตดูในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกบอกว่าเกี่ยงในเรื่องของการกล่าวคํานอบน้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ในการกล่าว น, นั้นน่ยท่านบอกว่าเป็นการประกาศเพื่อเกิดความนับถือเป็ น, น, นมากเกิดยินยูชนทั้งหลายในการสังวรารพระธรรมเป็นต้นนั่นอย่างหนึ่งประการต่อมาก็คือว่าความเป็นมงคลเนี่ยนะความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็เกิดขึ้นจากการสาทยาย การการกล่าวคำนอบน้อมนถ้าดูจากข้อความที่จะเห็นได้ชัดไนหะในเรื่องการกล่าวคำนอบน้อมเนี่ยข้าพเจ้ามันนามาสการพระรันาตนตไตยอันควรนามาสการอย่างแท้จริงด้วยประการดังกล่าวได้แล้วซึ่งห่วงแห่งบุญอันไพบูนขันใดด้วยอนุภาพแห่งบุญอันไพบูนนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอัน อันตรายขจัดแล้วนะในลักษณะการกล่าวคํานอบน้อมในวัตถุประสงค์จริงๆตรงนี้คือเพื่อป้องกันพยันอันตรายต่างๆใช่ไหมศัตรูโลกทั้งหลายเนี่ยถามว่าภัยต่างๆที่จะมากระทบกระทั่งนี่ยมีเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามีมากเลยเจออยเงี้ยไม่ว่าจะเป็นราชภัยอักคีภัยโจรภัยลูทกภัยเป็นต้นเนี่ยหรือภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมานั้นถามว่าอะไรก็เพราะว่าถ้าเรากล่าวคํานอบน้อมต่อคุณของพระพันธัตไตรด้วยอะไรนะ ด้วยจิตที่เป็นญาณนะสัมปยุตแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่ากุศลกรรมที่จะทำลงด้วยกายได้วาจาและจิตที่นอบน้อมจริงจริงก็ว่าสามารถที่จะป้องกันพยานอันตรายได้ถึงใช่ไหมหลวงท่า น, นบอกว่าอีกข้อความหนึ่งที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าในกรณีการกล่าวคานอบน้อมพระัตนตรัยนี้เพื่อความปราดเปืองแห่งปัญญา และนัปัญญาที่จะปราดเปล่ยงมาได้ก็ด้วยการบูชาพระนตนะไตรนและความปราดเปล่องห่งปัญญาด้วยการบูชาพระนตนไตรนั้นก็เพราะ ปราศจากบนทิงทีราภะเป็นต้นคือในขณะที่จิตนั้นนะ่ยตั้งมั่นในคุณของพระรัตนไตรยัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ใช่ไหมในขณะนั้นกระแสจิตนั้นก็ตั้งอยู่ในวัตถุอันเลอพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี่เป็นวัตถุอันเลออยู่แล้วทีนี้กระแสจิตของบุคคลที่ตั้งด้วยจิตที่กตธาและได้จิตที่นอบน้อมจริงๆในขณะนั้นนะ่ย ถือว่ามีวัตถุอันเลอเป็นที่ตั้งกระแสจิต ท, ที่ตั้งในขณะนั้นนั้นเป็นกระแสจิต ท, ที่ปราศจากราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธแล้วก็โมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงลักษณะอย่างนี้ก็ว่าจะเป็นผู้มีปัญญาที่ปราดเปรื่องปัญญาจะเกิดอย่างต่อเนื่องถ้าหากปัญญาเกิดหรือตั้งในวัตถุอันเลอได้ยาวนานเพียงใดเองคุณภาพของปัญญานั้นก็สะสมมีกำลังเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้น และความปราดเบื่องแห่งสัญญาก็ทวีคุณมากยิ่งขึ้นชั้นใดก็ไม่ฉะนั้นในลักษณะการบูชาคุณของพระรัตนตรยัยนอบน้อมต่อคุณของพระรัตนตรัยมีคุณของพุทธเจ้าเป็นต้นอี่บังเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะในสมัยใดพระริยาสาวกตามระลึกถึงตถาคตท่าตถาคตในสมัยนั้นจิตของพระริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้ ม, ม, มรุม ในสมัยนั้นจิตของพระรยาสาวกนั้นย่อมตรงทีเดียวก็หมายความว่าถ้าจิตจะตั้งตั้งอยู่ในคุณของพระราชนาฏัยมีคุณของพระพุทธธรรมพระสงค์ใช่ไหมในขณะนั้นราคะโทสะโมหะก็ไม่กุ้มรุมถ้าไม่กุ้มรวมมีจะตรงถามว่าตรงยังไงก็เป็นทิฏฐิทิฏฐิชุกม์ลมการทําความเห็นให้ตรงลําดับแรกก็คือจะตรงในเรื่องของกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิตรงในเรื่องของความแยกแยะในเรื่องของนี้เป็นกายกรรมบจีกรรมและมโนกรรม ที่เป็นความจงใจในการกระทําลงไปน้ลักษณะของการจะทาเช่นนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นการกระทํากรรมทีนี้ในะขณะที่กระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็รู้ว่าผลของการกระทํานั้นเน่เป็นอย่างไรถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเป็นกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นความสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่า มีความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีและไม่ใช่เข้าใจในเรื่องของกรรมในส่วนของพื้นฐานเท่านั้นสามารถที่จะไปแยกแยะว่าอันนี้เป็นทา น, นากุศลนะและก็มีผลเช่นไรศีลกุศลมีผลเช่นไรคุณต่อหรือว่ากรรมที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยเมื่อกระทำไปแล้วเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าทานเนี่ยอย่าลืมนะว่าสาธยายพระธรรมเนี่ย ในขณะที่สาธยายม น, นุษยที่เราสวดมนต์กันนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นต้นเนี่สีติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโ น, นยในขณะที่สาธยายในยจิตก็นอบน้อมในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถามว่าในขณะนั้นอันนี้สองมากไหมมากกว่าทานนกุศลมากกว่าศีนักกุศลหนึเพราะเป็นการนอบน้อมเนี่ถามว่าทานกกุศลมีอะไรเป็นเป็นอารมณ์ เขาบก็มีอาหารมีวัตถุที่ให้นะเนืป็นอารมณ์นแต่ว่าในขณะที่นอกน้อมคุณของพระราชนาฏยในการสาธยายมลเป็นสาธยายพุทธคุณเป็นต้นอันนี้มีคุณของพระเจ้าเนะือเป็นอารมณ์พูดถึงในด้านของอารมณ์นปัจจัยนีนก็ต่างกันมากมายแล้วว่าไงเนี่ฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้ที่บอกว่าการนอบน้อมต่อคุณของพระราชนาฏยมันอยู่ที่ใครนอกน้อมถามว่านอบน้อมด้วยยาณวิปยุทธหรือ ย, ยา น, นสะสมปยุทธ ดูตรงนั้นเป็นประมาณก็ก็สลได้ากันฉะนั้นการทําความเห็นให้ตรงเนี่ยถามว่าถ้าตรงแบบทานกุศล ส, สิงกุศลและภาวนากุศลถามถ้าภาวนากุศลเป็นภาวนาระดับไหนถ้าเป็นสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนายังไงเขาก็มีผลในการที่จะได้รับหรือสูงสุดไปจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ากรดำดําให้บากดําเนี่ย อกุศลกรรมก็ให้วิบากดำกรรมขาวให้วิบากขาวกลุ่มของกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ให้วิบากขาวคือการไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเป็นต้นทีนี้ว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสซึมกันกรรมอะไรเรากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวสติปัฏฐานสีสัมมาปัฏฐานสอิทิบาสี อินทรีห้าพระหโ้าพชชงเจ็ดอาริยมารมีองค์แปลักษณะที่เจตนาในการที่จะเจริญกระทำกรรมในเช่นนี้คือกรรมที่เป็นไปเพื่อจะตัดกรรมกรรมที่เป็นไปเพื่อที่จะตัดกรริเลสล้วก็รู้ว่าผลของกรรมจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่า มีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีมีชัดเจนตรตงนี้ลงไปก็ว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกทิฏฐิจะตรงได้ก็ด้วยการนอบน้อมบูชาของคุณพระธนไตรยัยก็จึงสําเร็จจึงเป็นความปราดเปรื่องนะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะสร้างความปราดเปรื่องสร้างความสําเร็จให้อย่างดีอีกประการหนึ่งความปราดเปรื่องแห่งปัญญาก็เพราะความที่บูชาพระตนไตรยัยนั้นเป็นเหตุ เป็นเหตุของอะไรบอกเป็นเหตุของสมาธินะถามว่าปัญญาเนี่ยถามว่าท่นานหลวงตาบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาฉะนั้นในขณะที่จิตตั้งตรงในขณะที่สาธยายคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่าที่บอกว่าเราเรียกกันธรรมดาวส่วนเหมือนไหว้พระเนี่ยในขณะนั้นจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธินั้ น, น, นเขาเรียกว่าจะเป็นเหตุใกล้ของปัญญาเป็นประทธฐานของปัญญาหรือเป็นสมุทฐานกันเรียก ฉะนั้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาก็เกิดอันเป็นประทัดฐานเป็นมูลเหตุของปัญญานะี่ข้อนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่การบูชาพระธนัตไตรเป็นเหตุของสมาธิไว้โบกดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อัตถรสย่อมได้ธรรมรถามว่าอัทถรสนั้นคืออะไรอัตถรสนั้นคือขน ธรรมรสนั้นคือเหตุยกตัวอย่างเช่นในขณะที่จิตเป็นสมาธิจะเข้าใจในเรื่องของทุกจะเข้าใจในเรื่องของพนันิพานทุกและพันิพานนีเป็นผลนะเป็นผลเป็นอรรถรสคือการเข้าไปรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของผลได้ส่วนธรรมรสนั้นปัญญาที่จะไปรู้ไปเข้าใจในเรื่องของเหตุนะเช่นว่าสมุทัยในต้นเหตุของทุก นนตัวสมูทัยนี่เป็นธรรมรถมรติอริยมรตมีองแปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่เป็นเหตุของไทนิทานเป็นเหตุของนิโรธใช่ไหมยอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจธรรมารถฉะนั้นปัญญาที่สมาธิเมื่อตั้งติดตั้งติดตรงอย่างนี้แล้วย่อมให้ได้อัตถรรถก็คือจะเข้าถึงผลและก็เข้าถึงเหตุย่อมได้ความปราโมดอันประกอบด้วยธรรมเพราะในขณะนั้นผู้ปลาโมดแล้วเนี่ยอะไรจะตามมา ปีติก็ตามมาเมื่อปิติเกิดมาแล้วอะไรจะตามมาบอกกายย่อมระ ง, งับผู้มีกายระ ง, งับแล้วย่อมเสวยความสุขผู้มีความสุขจิตย่อมเป็นสมาธิแน่นอะเขาบอกในขณะที่เจริญกุศลนะเขาดูตรงไหนรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าหาเจริญกุศลแล้วไม่ได้ความสุขทางด้านกายหมายถึงว่าทางด้านจิตใจไม่เข้าถึงความสงบถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่ากุศลถ้ากุศลแล้วความสุขความสงบจะต้องเกิดขึ้นจากการการทานั่นนั่น จะต้องเป็นความเยือกเย็นเป็นความสงบสุขเป็นความศรัทธาที่ตั้งมัน่นและถ้าเป็นกุศลนั่งสมบูรณ์จริงๆต้องเป็นญาณ น, น, นะสมบูรณ์เนะก็หมายความว่าประกอบด้วยปัญญามีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงรู้จักเหตุผลเน่นะเรียงตามลำดับของเหตุและผลตามความเป็นจริงได้ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่เป็นปัจจัยเปัญญา และความที่สมาธินั้นเป็นประทัฐานแห่งปัญญาเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วเหมือนกันว่าผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงสมาธิทิคเวภาเวธ า, วาสมาฮิโตเปตัวนึงนี่ยท่าูก่อนที่สุวนทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่างั้นนี่ยฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นปัจจัยแต่ความรู้ชัดตามความเป็นจริงความรู้ชัดในที่นั้นมีนชื่อของการรู้ทั่วใช่ไหม เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะทีน้ถามว่าการรู้ชัดเน่ยรู้ชัดระดับไหนถ้ารู้ชัดว่านี้ทุกนี้เหตุใ ห, ให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกรู้ชัดในอริยสัจเจตธรรมทั้งสี่จะ ต, ต้องรู้ชัดจริงๆแล้วรู้ชัดทุกต้องรู้ชัดอย่างไงเบื้องต้นต้องรู้ชัดว่าเป็นยาตะปริยยาใช่ไหมต้องไปรู้ว่าทุกเนี่ยถามว่าทุกเนี่ยนะถามว่าสภาพของทุกนี่เป็นยังไง ลักษณะของทุกนั้นเป็นอย่างไรจีรนะโถเนี่ยต้องรู้ว่าเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนยังไงสันตาปากคือเร่าร้อนเร่าร้อนอยังไงหรือว่าสังคตะที่ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งยังไงใช่ไหมถ้าไปรู้ชัดต้องรู้ชัดว่าเหมือนเบียดเบียนจริงๆทุกเนี่ความทุกหนี่ยตาเนี่ยเบียดเบียนไหมโอ้เบียดเบียนนะเจ้าโบเบียดเบียนี่ ย, ย, นนยถ้าลักษณะรู้อย่างนี้ถ้ารู้ชัด ถาอย่างนั้นไม่เรียกว่ารู้ชัดไม่รู้ทั่วรหรือสามารถที่ไปกําหนดรู้เป็นตีรณปริญญาได้ว่ารู้ด้วยความไม่เที่ยงมีแล้วกลับไม่มีรู้ด้วยความเป็นทุกข์บอกว่าเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลารู้ด้วยความเป็นอนัตตาบอกว่าบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอานาจถ้ารู้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงในชั้นโยงตีรณปริญญาหรือว่ารู้ในฐานะปานะปริญญาวาละฉั้นทราคะในกองทุกข์ได้ ถ้าลักษณะอย่างนี้ชัดแนละ้วลาความยินดีพอใจความยึดติดในตาหูสมุขลิ้นกายเป็นต้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ชัดเพื่อจะปล่อยวางได้จริงๆแต่ถ้ารู้ชัดแล้วยิ่งพอกยิ่งเพิ่มพูนอันนี้ไม่ใช่แนละยอมตัวเองนะถ้าอย่างนั้นไม่ชัดแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงบอกว่าคมเสียได้ซึ่งความลำบากอันถึงความเป็นใหญ่ฉะนั้นในขณะที่ท่านจะศึกษาพระธรรม ในขณะที่จะปฏิบัติธรรมในขณะที่จะประกอบการงานต่างๆเนี่ยจะสําเร็จได้ด้วยการกล่าวคํานอบน้อมสามารถที่จะทําให้ไม่มีอันตรายด้วยปัญญาอันปราดเปรืองอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นแหละท่านจึงได้กล่าวคํานอบน้อมประการต่อมาคือว่าการกล่าวคํานอบน้อมบูชาพระธนไตรนั้นทําให้ได้อะไร ทำให้ได้อายุวันนะสุขาพราลฉะนั้นอายุวันนะสุขาภลาเนี่ยย่อมเจริญด้วยการนอบน้อมพระาราชนาไตรเนีฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เนี่ยเป็นพุทธภาษิตที่ตรัสบอกว่าที่เรารับพรกันบ่อยๆรับยังไงเช่ไหมาพิวาชนายรีลิสานิจังวุธาประใจโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขาพาใช่ไห ทำสี่ประการคืออายุวันน้สุขาภระาย่อมเจริญแต่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติมีการอบอนอ่ อ, อนน้อมต่อผู้จเจริญสูงสุดเป็นนิตรเนี่ใครเจริญสูงสุดที่สุดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระรีสง่งเพราะเหตุนั้นความสําเร็จแห่งจิจที่จะทําย่อมมีได้ด้วยด้วยเหตุแห่งอายุวรนน้สุขาภระานั่นเองเหตุนั้นแหละการนอบน้อมจึงมีอนิสงส์อย่างยิ่งเรื่องตรงนี้สําคัญมากนะประการต่อมาบัง พอพูดตรงนี้ก็สนทนากันบอกว่าถ้าจะทําให้งมงายได้เนี่ยด่าอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ถามว่าใครทำดูตรงนี้ถามว่าใครท ำ, ต ร, รทำตรงนี้จะได้ไม่ทางแคงใจใช่ไหยบางคนอู้คลางแคงใจโอ้ ย, าอยสาธยายมนต่ตางๆเหล่านี้เป็นต้นถามว่าอยู่ที่รู้อยู่ที่รู้หรือไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจองั้นพวกถามว่ามีที่ไหนแเขาบอกว่าในสารถาทีเป็นีดีจ้านี่เรียกมีที่ไปที่มา ทำผู้ที่มีหลักฐานกับบัณฑิตพระเชื่อถือได้แต่พูดขึ้นมาลอยๆเขาบอกคนนั้นว่าไม่ควรเอามาเป็นประมาณเขาว่ามันเยอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปริหานี้ทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมในเจตประการเนเจตปการ ม, มีอะไรบ้างสัทธะสัทุคาราวตาความเป็นผู้เคารพในพระาษาสดาธรรมคาราวตาความเป็นผู้เคารพในพระธรรมสังคาราวตาความเป็นผู้เคารพในพระสง์ สิกขาธ า, าราวตาเป็นผู้ความเป็นผู้มีความเคารพในศิกขาสามคือในอธิสีนอทิจิตและอธิปัญญาสมาธิคาราวตาความเป็นผู้เคารพในสมาธิกาลยานามิสตาความเป็นผู้มีกาลยานามิตรโสว่าจาสตาความเป็นผู้ว่างง่ายก็เป็นพิจารณาดูว่าในเจตประการนี้จะเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อมนะ เราก็ตรวจสอบเราทุกวันเราเอ้เราเคารพในพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าไหมเคารพในพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเคารพคืออย่างไรที่บอกเอามาประฤติปฏิบัติแล้วก็นอบน้อมสละเสริญคุณอยู่เป็นเมืองนิดเคารพในพระสงฆ์เคารพในสมาธินักแนะ่นในสมาธิไหมเนี่ยเคารพในศิกขาสามสิงสมาธิปัญญาแล้วก็มีกัลยาณมิตรไหมแล้วก็โสวจัตสตาเนะื้อว่าง่ายไหม โอ้ต่างกันมากเลยถ้าไปว่ายากกะยุ่งเลยใครมีบ้างไม่มีถ้าว่าข้ออื่นนี้หมดเสียอยอข้อเดี๋ยวคือว่ายากเสียเลยอย่นี้ว่ายากอยู่ข้อเดียวฉะนั้นเอาเรื่องนี้มากล่าวก็เพราะว่าปรารถนาให้พวกเราเนั้นเวลาจะศึกษาพระธรรมก็ให้มีการนอบน้อมพระรัตนตรวางคิตที่ถูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางคิตไม่ถูกในการนอบน้อม ถ้อย่างนั้นเราก็จะมานั่งนีกึก็เอ๊ะทําไมไม่เคยได้ผลมองใช่ไหมถามว่าใครศรัทธาก็ศรัทธาพุทธเจ้านี่ยถามว่าใครศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ ส, ว, ก ส, ว, กสวดมนต์แต่ทําไมไม่ได้ผลถามว่าใครนอบน้อมใครทําต้องถามเขาบอกเป็นญาเนสัมปยุทธไหมเขาบอกไม่รู้เลยยาเนสัมปยุทธประกอบด้วยปัญญารู้ไหมก็มีก็เข้าใจนี่ถามว่าปัญญารู้คุณของพุทธเจ้าจริงจริงไหมหรืรู้บ้างไม่รู้บ้างถ้านั้นก็ได้บางไม่ได้บางก็อย่างที่ได้ ก็ถึงถามว่านั่นแหละใครทำถ้าลองตั้งมั่นอย่างแน่วแน่อย่างแท้จริงนะได้กายด้วยวาจาแล้วได้ใจต่อไปยังอันที่ทำเป็นอะไรกอนนี้เอามานะันพเอยังนตัวออนน้อมมานานแล้วลยัวนีงการทําลายไปเองแค่เรืองนั้นอไม่ยากแท้จริงก็คือไม่ใา่ยาในาสารเย ม, มีคนที่มียาในาสารเคมีคือพวกกลุ่มอ่อนน้องกลุ่ม อ, อนน่อนะแต่ไม่ใช่อ่อนน้อมแบบโมหนะน้อ่อนน้อมแบบมีความเข้าใจมีความชัดเจนในการ ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่านอม น, น้อมดีจริงอภิการต่อมาเข้าในข้อที่ร้อยยี่สิบแปดนะขึ้นสัมมาทิฏฐิสูตรทีกล่าวมานี้ลงในสัมมาทิฏฐิได้นหะลงในสัมมาทิฏฐิได้พิสูตรเหล่านั้นนะเมื่อฟังคาถาที่ว่าด้วยสังขารวาระวาระที่ว่าด้วยสังขารสามเหตกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตแต่สังขารแล้วเนี่ยก็ได้พากันชื่นชม อนุโมทนาภาสิตของท่านพระสารีบุตรแล้วเนี่ยก็ได้ถามมาใต้เท้าครับยังมีอีกไหมก็ได้กลาวเปลียนถามปัญหาที่สูงขึ้นไปกับพระสารีบุตรยนะบอกว่าใต้เท้าครับยังมีอีกไหมเหตุเหตุปริยายเมื่อยอย่างอื่นที่ให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรมไม่คลอนแคลน ได้มาสู่พระสัจธรรมนี้ได้มาพาะธรรมท่านภาษาที่บุตรก็ตอบบอกว่ายังมีอยู่คูณแล้วก็ได้กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยส า, าวกรู้ชัดอวิชชาเหตุเกิดอวิชชาความดับอวิชชารู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอวิชชาแม้เพียงเท่านี้แหละคุณอริยส า, าวกที่ว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้อันนี้เป็นการกล่าว อริยสัจโดยย่อเนียรู้ชัดอวิชชาอาวิชชาเป็นทุกขสัจรู้ชัดเกิเกิดอวิชชานั้นรู้สมุทยัยสัจจกรู้ชัดอะไรความดับของอวิชชานี้คือรู้นิโรธรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับหองอวิชชานน้นเป็นการรู้อริยมรรคนรู้ชัดข้อปฏิบัติถามว่าอาวิชชาคืออะไรแล้วคุณ เหตุเกิของอวิชชาความดับของอวิชชาและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอวิชชานะี่ยคืออะไรนี่ถามเองตอบเองนะเขาได้กระเถตุกกรรมยตาปุดฉาเป็นการถามเพื่อจะตอบเองคุอท่านาระษาลิบุตรตั้งปัญหาเอางและตอบเองแต่ท่าเหล่านั้นถามตอบว่าคุณความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกความไม่รู้ในความดับความดับไปแห่งทุกความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งทุก นี้แลคุณเรียกว่าอวิชชาถ้าบุคคลที่ศึกษาในเรื่องของปฏิจจามดีก็จะเริ่มมองเห็นว่าเออเนี่ยใช่แล้วความไม่รู้ในทุก์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่้เรียกว่าอวิชชาถ้าเป็นอวิชชาจะต้องไม่รู้สี่ประการนี้คือไม่รู้อริยสัจสไม่รู้ทุกเป็นต้นนี่ถ้าไม่รู้ทุกถามถ้าหยุดย่อยออกมาย่อยยังไงบอกไม่รู้ตาไงไม่รู้จากตาไม่รู้เหตุให้เกิดตา ไม่รู้เหตุดับแล้วก็ไม่รู้ว่าตานั้นจะดับอย่างไรแล้วก็เหตุที่เกิดตานั้นจะดับอย่างไรหมายถึงดับพาวณไหมดับแล้วไม่งอกอีกในภพต่อไปนะแล้วก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติทาปฏิบัตาหรือข้อปฏิบัติที่จะทําให้เข้าถึงความดับตานะดับเหตุของตาเพื่อจะได้เข้าถึงทันิพยานี้ท น, นิพา น, านเป็นอารมณ์ไม่รู้ข้อปฏิบัติลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอาวิชชาอะไรนะเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิด อาสวะสามอาสวะสามนะเว้นอวิชชาสวะตามาสวะภาวะสวะทิฏฐาสวะเว้นอวิชชาสวะเนี้ยต้องดรีอันนี้หมายถึงเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดเพราะอาสวะดับอวิชชาจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอวิชชาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อใดแลคุณอริยสาวกรู้ชัดอวิชชาอย่างนี้รู้ทัดอย่างนี้น่ยรู้อย่างไหนคือรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้รู้ทั่วตามความเป็นจริงอย่างเนี้รู้ชัดจนสามารถเห็นโดยความเป็นติรยาตะปริญญาติรณาปริญญาและประหารฉันทราค้าที่ยึดติดในวิชาได้อสารวิชาได้ด้วย เกิดเกิดแห่งอวิชชาเนความดับไปแห่งวิชารู้ชัดพ่อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งอวิชชาอย่างนี้เมื่อนั้นเธทวร่าราคาณุัยบันเทาปฏิคาณุใสถอนทิฏฐิมานาว่าเรามีออกสามารถที่จะถอนทิฏฐิและก็ถอนมานาว่าคำว่าเรามีมาออกได้ละอวิชชาได้โดยประกาศอะทั้งปวงโดยประกาละทั้งปวงคืออย่างไรบอก โดยประการที่มีวิชาที่ไม่รู้อะไรไม่รู้ในกรรมปฐวาระไม่รู้ในกุศลอกุศลไม่รู้ในอริยสัจไม่รู้ในอาหารสีไม่รู้ในชาติไม่รู้ในชรามรณะนี่นะเป็นต้นเนี่ยไม่รู้ในผัสสะเวกนาไม่รู้ในตัญหาเป็นต้นนี่ยนั่นแหละโดยประการทั้งปวงเนะ่ยถอนออกไปได้หมดเลยยังวิชาคืออรหัตมรนะัคษเนียให้เกิดขึ้นแล้ววิชาในที่นั่นถามว่า วิชาในมรรคมี่าวิวิชาในโสดาปิมรรคก็ยังไม่ชัดทั้งหมดใช่วิชาในสกาธ า, ามีมรรควิชาในอนาธามีมรรคถ้าวิวิชาในอรหัตมรรคที่ลุยังวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันทีเดียวแต่ว่าหมดจะรวมบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องไปเรียนไหวตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกขละมานด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยส า, าวกชื่อว่า เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ชอนแคนมาสู่พระสัจธรรมนี้ตรงนี้ต้องไปดูในภาคของอัจฉริยถ้าไปดูในภาคของอัจฉริไปดูในส่วนของอวิชชาหาวาละนี่นะในหน้าที่หกร้อยหนึ่งแล้วก็ในข้อร้อยี่สิบแปไปทําความเข้าใจคาว่าอาวิชชาต่อไป ก่อนที่จะไปทําความเข้าใจอวิชชาในตรงนั้นนะนะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอย่างใ น, นเรื่องของอวิชชาอาวิชชาในที่นี้ยท่านแยกไว้ว่าอาวิชชาเนี่ยมีสองคําเนอะอะกับคาว่าอาวิชชาอย่านะคำว่าอ่านี้ก็แปลว่าไม่หรือว่าแปลว่าตรงข้ามกันตรงตรงกันข้ามเลยวิชานี่แปลว่ารู้หรือเป็นชื่อของปัญญานี่ยแหละ ถ้าเมื่อรวมกันแล้วแต่ว่าไม่รู้คือธรรมชาติที่เป็นไปตรงกันข้ามกับปัญญาฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นไปตรงกันข้ามกับปัญญาก็ได้แก่อะไรได้แก่โมหะเจตสิกมาจะทําว่าธรรมชาติใดเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งอริยสัจสี่มีทุกเป็นต้นหรือจะทําอริยสัจสีให้ปรากฏฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวชื่อวิชานียให้ดูธรรมะที่ตรงกันข้ามก่อนนะ ลักษณะของวิชาเนี่ยได้แก่ปัญญาจเจริสิทธิที่ไปรู้แจ้งตามความจริงในทุกในเหตุให้เกิดทุกในความดับทุกในข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกใช่ไหมลักษณะของวิชาหรือปัญญาเป็นเช่นนั้นทีนี้ถ้าธรรมชาติใดที่เป็นไปตรงกันข้ามกับปัญญาตรงกันข้ามกับการที่ไปรู้ทุกไปละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งกระนนอริมัติ ธรรมชาติที่ตรงที่ไม่ทําอริยสัจสีให้ปรากฏธรรมชาตินั้นเรียกว่าอาวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาในที่นั้นคือไม่รู้ในอริยสัจจะทำทั้งสี่ไม่รู้ในทุกไม่รู้เหตให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ครอบหนึ่งท่านว่ายัางไงเลยไนะท่านบอกบอกว่าธรรมชาติที่ย่อมไม่ถึงซึ่งทุจริตรมที่ไม่ควรได้คือให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ อะไรที่มีควรได้กา ย, ทกกยทก โ, โทุเจริตวิจิตทุเจริตแล้วมโนทุจริญมีควรได้ไหย ท, ทําไมจึงไม่ควรได้เพราะถ้าทำหรือถ้าได้สิ่งนั้นลงไปแล้วนะี่ยถามว่าใครได้รับโทษตนเองได้เป็นผู้รับโทษแล้วก็จะต้องทุกข์ทรมานใช่ไหมเขาจึงบอกว่าให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้หรือไม่ให้ได้ในสิ่งที่ควรได้โทจริตสามเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่ากุศลกรรมบดสิทธิเนี่ยควรได้ไ้ย ควรจะได้แต่ทําให้ไม่ได้อวิชชาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะติดติดปัญญาไม่ให้เกิดเมื่อไม่ให้เกิดก็เหมือนกับการเดินในที่มืดใช่ไหมเดินหลับตาด้วยเดินในที่มืดด้วยเพะฉะนั้นอันตรายย่อมเกิดแน่นอนสําหรับบุคคลที่มีอวิชชาเป็นเครื่อกกางกัน้นมีกัณหาเป็นเครื่องประกอบถ้ามีอวิชชากลางกัน้นมีกัณหาประกอบเข้าไว้เนี่ยลําบากแน่ ในที่สุดจริงๆมีไหมที่จะไม่ทําทุจริตมีไหมที่จะไม่ได้ทุจริตเพราะอวิชชาเนติดไม่ให้รู้เลยว่านี่คือทุจริตนี่คือสุดจริตก็เลยให้ทำให้ให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ให้ได้ในสิ่งที่ควรได้ทุจริตมน่าจะได้แต่ไม่ได้บังขีเนาะให้ท่นเกยดตัวไหพอมาตอนเย็นๆล้วกลับไปเราเลิกได้เราแย่อยู่วันนี้ยปวดทั้งวันเลยวันนี้เห็นไหมว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นเครื่องกลางต้านปัญหาเป็นเครื่องประกอบไวจริงๆมันทําให้เราได้ใช่ไหม บางทีอไม่น่าทําเลยวะนี่ได้ทําไม่น่าทําไม่น่าทำแต่ที่ไหนได้ทําไปแล้วทีนี้ทำไปแล้วยังยังยังมียังกลับไปย้อนคิดคิดจะมินบาศจะได้ไม่ฉลาดคิดใช่ไหมเขาคิดไปคิดมาในเรื่องจริงจริงปรเด็ก็เข้าถึงบาศบางคนะทําผิดไม่มากเลยนิดเดียวแต่ก็ย้าคิดย้ําทําอยู่ในเลยตามไปคิดคิดเลยกลายเป็นข้อปูนเป็นอจินตกรรมจะได้ดูเรียวิชาเนี่ยเป็นเครื่องก่างกันมีขั้นพวกนีง อ้าทาดีมาประมาณ 90% ้าสเปอรเสียสิบเปอซแค่สิบเปอร์เซ็นตกายจิิจนกรรมของเาเสียเลยตรงเนี้ยสิเปซ็นตกายจินนกรรมคือคือคือจิตตรงนี้เยต้องดูตรงนี้ว่าถ้าหากว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยคาว่าเห็นผิดเนี่ยคือตรงนั้นมันมีอยู่แต่ปัญหาความว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเป็นเนต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะก็แปลว่าดิ่งเลยมันดิ่งในเรื่องนั้นๆไปเลย ในลักษณะนั้นก็เรียกว่ามิจฉาธิฐิยืนอยู่ในขณะที่มิจฉาทิฐิเกิดขึ้นนะในการที่มีความเห็นยกตัวอย่างเช่นเป็นนิยาต า, านติจฉาทิฐิประเภทไอเหตุถูกะทิฐิปฏิเสธคือปฏิเสธว่าที่ได้รับผลในปัจจุบันเนี้ยไม่ได้มีเหตุมาจากอดีตฉะนั้นที่เราได้เห็นได้ยืนได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือได้รับความสุขและความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้มีเหตุมาจากอดีตกลุ่มเหนี้เหตุอย่างนั้นเลยใชนะ่เพะนั้นถ้าหากว่าอันนั้นแน่นอนแต่โมหนะนั้นมันกว้างโมหนะนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจในเรื่องนั้นอย่างนั้นเท่านั้นแม้แต่เรื่องอื่นก็ไม่เข้าใจด้วยคือไม่รู้ตามความเป็นจริงขิดกั้นในอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยเพราะเชื่อว่าอารมณ์ทั้งหเข้ามาเข้าสู่คลองของทวาวรตาหูจมูกลิ้นกายใจโมหะเป็นเครื่องกลางกั้นหมดเลยคือทําให้ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลย สภาพของโมหะอย่างยกตัวอย่างเช่นความจริงของเขาเนี่ยคือเขาไม่เที่ยงเนี่ยแต่โมหะไปเห็นว่าเที่ยงมันทําให้ยึดปฏิปันทั้งๆที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยโมหะไปเห็นว่าเป็นสุขทั้งๆที่เขาเป็นอนัตตาเนี่ยไปเห็นเป็นอัตตาทั้งๆที่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนะแต่ไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแยกแยะไม่ออกเห็นตามความจริงไม่ได้ลักษณะของอวิยาน่จจะตางดั้นทุกทุกอารมณ์หมดเลย ติดหมดเลยสภาพของอวิชานี่เขาเรียกว่ามันติดได้หมด น, นี่เป็นยังไงสภาพของธรรมชาติที่ไม่ให้ได้สุจริตทำที่ควรได้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นเขาเรียกว่าอาวิชาเวลาอาวิชามันไม่ใช่แค่นั้นนะเวลามันจะเข้าไปรู้นี่ถามว่ารู้ไหมรู้แต่รู้ผิดในบัญญัติแต่รู้บัญญัติแต่รู้บัญญัติผิดถามว่ารู้บัญญัติผิดรู้ยังไงถามหลวงพ่อจ้าแสดงธรรมส อ, อย่างสองประเภทคือประมัตและสัจจ แล้วก็สมมติสัจจะนะสมมุติสัจจะที่พระพุทธเจ้าแสแสดงนั้นเป็นสมมุติสัจจะเพื่ออืมหนวยต่อการที่จะตัสรู้ธรรมไม่ใช่สมมุติสัจจะเพื่อที่จะหลงอยู่ติดอยู่ mm. ถ้าวิชาเนี่ยจะรู้บัญญัติเพื่อที่จะหลงอยู่ติดอยู่ในวัฏจัไม่ได้เรียนรู้บัญญัติเพื่อที่จะออกจากวัฏจักรมองรู้จักพ่อแม่แต่ไม่รู้จากปฏิบัติกับพ่อแม่ เพื่อจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดตระกัดรู ar, old, ar, ้จักสามีภรรยาแต่ไม่รู้จักจะปฏิบัติต่อสามีและภรรยาเพื่อที่จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัจเขาเรียกว่ารู้บัญญัติจริงจะเป็นรู้บัญญัติก็รู้ผปฏิบัติให้บัญญัติผิดเข้าใจบัญญัติผิดพลาดหมดเลยนี่เป็นอย่างนั้นลักษณะของอวิชชาเวลาเป็นเครื่องกลางกัางนนั้นเวลาไปรู้บัญญัติก็รู้อย่างรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์ใจตนเองเพื่อจะอยู่ในโลกใบนี้เพื่อจะยึดจะถือ เพื่อที่จะหวงแหนมากมากยิ่งขึ้นครอครูมากยิ่งขึ้นเลยก็ไม่ได้การรู้บัญญัติของท่านผู้นั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแใ่การที่จะ ท, ทําถีมสมาธิปัญญาเพื่อจะออกเหวิตาอะไรเลยรู้มากยากนานรู้น้อยป่อยลองคารยรอดอะไรนั่นี่ที่คำพูดเขาพูดไปเนื่อยอย่างไรนี้รู้มากยากนานมาออกใช่ไหมตรเนี้ที่มีบราณพูดหน้าคิดอย่างนี้น้าไม่รู้ไม่เที่ยหนักใหญ่เลยตรงนี้ ไปใหญ่เลยอย่างนี้เพื่นี่หลงก็เพื่อนเลยโล้ก็ไม่รู้บางคนบอกไม่รู้ไม่ชี้นะไม่เป็นไรไม่รู้ละชี้เนี่ยแหมหน่ากรอจริงๆด้วยไม่รู้และยังชี้อยู่ก็ว่ากันถ้าไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่รู้แนะลนะชี้เนะี่ยชี้กนะ็พนะืต้องอย่างนั้นชี้ต้องอย่างนี้ชี้ นั่งรถไปในรถมือเลยคนขับมือคนอยู่ภาอยู่ข้างๆภาคแล้วพุกข์ต้องอย่างนั้นจะต้องชะลอน่อยนี่ต้องเรื่องแค่นั้นเนาต้องอะไรเนี่ยสังคมแบบนี้เยอะคมชีวเยอะแต่สังคมทำนานๆอย่ี้ไป็นอ่ยเข้าอวิชาวาระเพราะว่าความไม่รู้ในทุกชื่อว่าความไม่รู้ในทุกขยตรงนี้บางคนอ่านตรงนี้แงงเลยว่าไงเนี่อความไม่รู้ในทุกเนี่ยชื่อว่าความไม่รู้ในทุกเพราะอะไร คือว่าโมหะเนี่ยความที่ไม่รู้ในทุกเนี่ยไม่รู้แบบไหนไม่รู้คือว่าไม่รู้ในทุกคือคือว่าพอไม่รู้แล้วก็ออกไม่รู้จากทุกด้วยแล้วเมื่อไม่รู้เขาเรียกหลงในทุกเนี่ยถามเหมือนพวกรานี้เรารู้จากตามเนยถ้ารู้แบบปัญญาเนอะบอกรู้อะรู้แบบบัญญัติรู้ไงใช่ไหมรู้บอกเอตาเป็นอย่างนั้นนะตาคนนั้นดีนะตาคนนี้สวยนะคนนั้นตาสูงดีก็อะไนี่มองเอ้ดีมีความโชกเลย ตาไซเนี่ยนี่ก็เลิไม่รู้ในทุกถามไม่รู้ในทุกอะถามว่าเพราะไม่รู้ว่าตานี่เป็นทุกข์เขไม่รู้ว่าทุกข์จากก็เพือเขาเป็นไงอีรณาโถงไงเขาเบียบเรียนไงฉันตาปากคือเขาเร่าร้อนไงสังตาคือปัจจัยไปชุบปรุงแต่งบอกตาเนี่ยกว่าจะเป็นตาไม่ได้มาถามว่าเกิดจากอะไรบ้างไงมีตําเป็นสมุทฐานบ้างมีจิจเป็นสมุทฐานบ้างมีอุตุเป็นสมุทฐานบ้างมีอาหารเป็นสมุทฐานต้องไม่รู้แบบนี้ไง ไม่รู้ว่าจริงๆที่บอกตาเนี่ยไอ้ที่บอกตาตาตากันเนี่ยมันมีปัจจัยไปชมมากมายและตัวปัจจัยเหล่านั้นไม่มีสักปัจจัยเลยที่เที่ยงะ เ, เหตุเหล่านั้นไม่ได้เที่ยงเลยเมื่อเหตุที่ทำํทำเกิดท้เขาเกิดขึ้นไม่เที่ยงแล้วตัวก็จะเที่ยงเองตัวเขาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ใช่ไ้ยเมื่อเป็นทุกข์ก็บังคับไม่ได้เขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของทขาตามเหตุปัจจัยของอะไ ร, รของตรรมบ้างของจิตบ้างของอุตุบ้างของอาหารบ้าง เครียดมากๆตายัางบอดเร็วเลยใช่มครัอาหารที่กินที่อาหารที่มพิษเข้าไปย่งทําลายตาได้นี่เป็นั้นงใช่ไมครับแล้วยังตามมีแต่เป็นปัจจัยของตาหรือบอกว่านี่ถ้ารู้จริงๆอย่างนี้เขาเรียกไม่รู้ทุกเขียยานังเนี่ยมีเป็นชื่อของโมหะนะคำว่าไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้เป็นชื่อของโมหะในคำทั้งหลายเียที่ว่าสมุทเยียาญยาัางก็มีในนี้ไห น, ไหนไหนในที่บอกว่าเขีย่ยให้เกิดอวิชฌา เ, เพราะอะไรอวิชฌายังเกิดนี่ อาสวะนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาทีนี้ถ้าจะจำแนกในจำนวนสัตวางทั้งสี่นั้นการไม่รู้ในทุกที่ทราบได้โดยเหตุสี่ประการกานว่างั้นถ้าต้องการจะรู้ว่าไม่รู้ในทุกนั้นต้องทราบได้เหตุกี่ประการฉันบอกว่าเพตุสี่ประการลองตามไปดูด้วยเหตุสี่ประการมันคืออะไรในสี่ประการนะั้นโดยการหยั่งลงภายในโดยฐานนะคือที่ตั้งหนึ่คือโดยการหยั่งลงภายในหนึ่ง โดยฐานคือที th ่ตั้งหนึ่งโดยอารมณ์หนึ <Th> ่งโดยการปกติดไว้หนึ่งพรอันก็ยอะไตรปิฎกศึกษาคำสอนบางคลนี่ทิ้งเลยนะว่าอ่านมาแค่ตรงนี้บอกไม่เอาแล้วอย่างนี้การไม่รู้ในทุกนั้นชื่อว่าอย่างลงภายในทุกเพราะนับเนื่องในทุกขจกรจะในขณะที่อย่างลงภายในคืออย่างลงในขันนี่นะการไม่รู้ในทุกนั้นอย่างลงในขันในอายตนะในธาตุเนี่ยการอย่างลงภายในคืออย่างลงในลักษณะเช่นนี้ อย่างลง ars, ойти, dies, ที่ตาที่หูที่จมูกการอย่างลงในลักษณะอย่างนั้นเ้าเรียกว่าการเรื่อรู้ในทุกนั้นเป็นการอย่างลงภายในทุกขพราะนับเรื่องในทุกขัรัตไงเพราะทุกขัสัตในชื่อว่าเป็นที่ตั้งใช่ไหมเป็นที่ตั้งด้วยเป็นที่ตั้งก็หมายความว่าในขณะที่ตัวทุกขัสัจจะเป็นตัวอวิชชาเกิดขึ้นเนี่ยถามเวลามันจะอย่างอย่างลงภายในเนี่ยเวลาไปอย่างลงในจุดไหนเนี่ยอวิชชาจะเิดในจุดนั้น ติดลงในจุดนั้นทุกจุดเรียกว่าอย่างลงในภายในถ้าเราจะพูดถึงในลักษณะว่าคําว่าอย่างลงในภายในแต่การเป็นฐานเป็นที่ตั้งก็จะมองบอกว่าตั้งกันตรงตรงที่ว่าเป็นที่ตั้งเธอเือปัญหาดูจากจุดคําว่าเป็นที่ตั้งเนี่ยถามว่าอะไรเนาะมันจะเป็นที่ตั้งให้กาวิชาเกิดได้แล้วเพราะว่าการที่จะสามารถที่จะรู้จักวิชาดีโดยการอย่างลอยภายในโดยการโดยฐานใช่ไหมเรือทั้งทั้งเนี่ยถ้าจะดูถึง จุดของอวิชชาอีกจุดหนึ่งที่ท่านบอกบอกว่ายังไอจุดที่บอกว่าในกรณีของการหยั่งลงภายในเนี่ยเวลาหยั่งลงปุ๊บเนี่ยหยั่งลงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออย่างในทุกข์จาะหรืออย่างในเหตุให้เกิดทุกข์หรืออย่างในความดับทุกข์หรือจะหยั่งลงในข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยมันก็ติดมาเลย แต่ไม่ได้ติดโดยฐานะเป็นอารมณ์นะปิดโดยการที่ว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นประการต่อมาก็คือว่าเป็นที่ตั้งไอเป็นประการต่อมาว่าอาการว่าอย่างอีกอย่างเี้เพราะเป็นนิสัยปัจจัยของการไม่รู้ในทุกนั้นเป็นอารมณ์ถามว่าเป็นในฐานะไหนในฐานะเป็นอารมณปัจจัยอารมณปัจจัยเนี่ย พิจารณาอย่างนี้คําว่ า, ารำหนปัจจัยเนี่ยหมายความว่าเวลาจะไปมองสีเนี่ยก็ติดในสีไม่รู้นิไม่รู้ตามความเป็นจริงในสีนั้นพอไปกําหนดที่เสียงถ้าวิชาเกิดก็ไม่รู้ในเสียงอวิชาก็ไปติดในเสียงนั้นด้วยความเป็นอารมณ์นหมดเลยเนยะถ้าไปอย่างลงในฐานะอื่นรสสัมผัสหรือในธรรมารมณ์ทุกทุกอารมณ์สรุปแล้วเสียหายหมดเลยถ้าจะพูดแล้วมองบ้านก็ได้แค่บ้านเนี่ย พิชชาเสร็นี่ยได้แคบ้านอย่างนั้นาะบ้านสวยมันเกิดอยู่แค่นั้นจริงๆไนงะถามใครใครมองถึงขนาดเราโอ้โหมีบ้านหลังนี้ทุกทุกบ้านเลยเนี่ยกว่าเราจะได้บ้านหลังนี้มาทุกเท่าไหร่เนี่ยเราลองมองในทุกขสาจัจใจอย่างนี้นะโอ้โหจะต้องวิ่งหาเงินหาทองเนะีาะได้เงินได้ทองมาแล้วลองมองไปลึกขนาดนั้นนะโอ้โหกว่าที่เพิ่งเร็จเป็นบ้านหลังนี้ถามว่าตัดตายไปกี่ล้านตัวเนี้ยต้องไปขุดดินมาต้องไปเอาหินมาเอาปูนมาฉาบทาอะไรต่างๆนี้เนี้ย คนเป็นทุกข์เป็นร้อนไอ้คนที่ออกแบบต้องมีที่ยงขนาดไหนเนะ่กลัวที่มันจะผูกจะทงังลงไประวังนงี้ยไหแล้วไอ้เราก็เดือดร้อนปันใดระวังเนีนนะถ้ามองก็กว้างๆนี่เขาเคยมองขนาดนั้นนะถ้ามองโอ้โหมองทุกเทอะทะเลยเนี่ยไม่ทุกขึถึงวทล้อมนะี่ยมองเห็นหมดเลยนะโอ้ดีปัจจนะัยเนี่ยเลยติดหมดเลย นี่สวยจังนี่มุมฉานั้นเอาโต้มาเข้าอันนี้ไม่ออกเอาออกใหม่เอาอันนี้มาใส่โอ้โหเข้าชดกันเลยอะเียห็นแจวมากว่าไงละนี่ยถ้ายนี้เป็นไงอ่าบอกว่าเขาเรกนิอวิชาติดอวิชาเป็นเครื่องกลางกันนี่นะตั้หาเข้ามาประกอบถึงที่แล้วยังเพิ่มเกิมมองมองเขาบอกว่าคนอะไรเนี่ยคนมีสึนทรียภาพมองสวยงามมากเพอฝันลยางกอย่างเงี้ยน ไ ด, ได้อภิธาได้อภิธาคือความยินดีโอ้โหงามมากแล้วยังเทียบเทียมเงนะี้ยคนอื่นไม่มีมเหมือนเราโอ้โห ม, มานะได้ไว้ตัวแล่เรายงความเห็นต่อไปเรายังต้องทําให้ดีกว่านี้ติดมนเลยงั้นะโดยอารมณ์เนี่ยเขาถึงชื่อว่าเป็นอารมณ์เพราะเป็นอา ร, รมณ์นปัจจัยการไม่รู้ในทุกนั้นนะ่ยและทุกขสัจจานั้นย่อมปกติดไม่รู้ในทุกขนั้นโอ้โหพูดถึงในเรื่องของทุกในเรื่องของวิชาเนะนะี่ย ดูตรงไหนถ้าดูบอกว่าลักษณะของอวิชชา น, นีโมหะมีความหลงในอารมณ์หลงในไหนหลงในรูปไหนในแต่พูดตามตามวิชาการก็กไม่รู้สภาวะทำตามความเป็นจริงวะเนี่ยอย่างนี้พูดทั่วไปไม่รู้สภาวะทำตามความเป็นจริงไม่รู้ยังไงสภาวะทำตามความเป็นจริงของเ้าก็คือว่าอันนี้เขาเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังข า, ารเป็นยิ่ญยาณ น, นะ ถ้าว่าบัญญัติต้องว่าอย่างนี้ก็เป็นบัญญัตินะบางคนแบบนี้แหละประมัตแท้ที่ไหนได้ก็เรียกว่าบัณฑิตคือบัญญัติแต่มีสภาวะรองรับบัญญัติประเทเนี้ยคือมีรูปรองรับจริงๆมีเวทนารองรับจริงๆมีสัญญาคือความจํารองรับจริงจรงมีสังขารคืการตรุงแต่งรองรับจริงๆมีวิญญาณในการรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรองรับจริงจริงอย่างนี้เ้าเรียกว่า บัญญัติมีสภาวะรองรับบัญญัติบางอย่างไม่มีคำว่าแก้วเนี่ยไม่มีสภาวะอะไรมารองรับเลยบางคนเอา้าทําไมไม่มีแล้วก็มีไหงก็แก้วก็ไอสีทั้พวกนี่ยรองรับอะไรนี่ไม่ได้คำว่าบัญญัติคําว่าแก้วคำคำนั้นไม่มีไม่มีสภาพจริงจริรองรับอยู่อย่างนี้ครับบัญญัติสุตตพจน์นีอนนะ้อวิชนามานีนะอวิชนมานะบัญญัติไม่มีสภาวะรองรับถ้าผู้ที่ศึกษา ไม่ขีมาโทนเขารู้เรื่อดีว่าพูกสัตว์นี้่จำโอชัดเจนเลยพอสะกิดปุ๊บตึง้งก็มองปุ๊บทะโลแล้วอ๋อใช่แล้วนี่คือบัญญัติที่ไม่มีอะไรรองรับไปถามว่าพ่อแม่มีแบบมีอะไรรองรับมั้ยไม่มีแต่การการรู้เรื่องพ่อแม่ทุกเป็นปัจจัยการแทงตลอดได้ไหยบางคนก็ติดอยู่นั่นไม่รู้ยังไง การเจริญการการจเจริญการปฏิบัติคุณธรรมในเรื่องของกตัญญูกตเวทีอุปการะการบรรลุอุปการะการบรรลุธรรมอุปการะเการบรรลุธรรมภาษาพวกทั้งหลายนี่เขาเขาชัดเจนมากในเรื่องตรงนี้เกี่ยวกัเรื่องการในการที่ว่าศึกษาตรงนี้แล้วเขาก็ปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นอย่างดีทีนี้เกี่ยวกัเรื่องต่อมาคือความไม่รู้จริงของสภาวะธรรมมีเป็นลักษณะของของอวิชชานะ มีการปกปิดด้วยไหมสภาพของอริชาในเวลาเกิดขึ้นมาแล้วปกปิดไหมปกปิดอะไรปกปิดธรรมชาติที่ไม่ให้รู้ไม่รู้ซึ่งธรรมมีอริยสัจสเป็นต้นน่ยลักษณะเช่นนั้นน่ยมันปกปิดไงเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติที่ถ้าไปรู้บัญญัติเขารู้ผิดด้วยใช่ไหมเพราะการรู้บัญญัตินั้นแทนที่จะรู้ให้เป็นปัจจัยเหุ่การแังตลอดก็ไม่รู้ให้เป็นปัจจัยเกตการแังตลอดลักษณะเช่นนั้นเน่ยเขาจึงบอกว่าเป็นการไม่รู้ตามความเป็นจริง ในที่นี้เขบอกเป็นนิสยปัจจัยบอกว่าเป็นที่ตั้งเป็นนิสยปัจจัยในการไม่ให้รู้ทุกข์กั์จากนั้นชื่อว่าเป็นอารมณ์คำว่านิสยาหนีมีสองอย่างสองอย่างคือยังไงเป็นอารามนาะเป็นอารามนาปัจจัยเป็นอารามโนเป็นนิสยะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งด้วยคำว่าเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยที่มีกําลัง คำว่าที่ตั้งในที่นั้นนนั้นย้อนไปดูนิดหนึ่งมีกําลังยังไงอวิชชาในอดีตเนี่ยถือเป็นที่ตั้งให้กับอวิชชาในปัจจุบันนี้นนไหมเป็นไม่เด่นนี่ไงนี่เขาเรียกเป็นที่ตั้งอย่างรุนแรงเลยทีเดียวทำไมเราจะมีอวิชชาในวันเอานบางทีเนี่ยคาว่าเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นที่ตั้งเฉพาะในการทําบาปนะเป็นที่ตั้งในการทําบุญด้วยถ้าเราไม่มีอวิชชาในอดีตจะพบเราไม่ได้มานั่งฟังพระธรรมในปัจจุบันอย่นี้ให้อวิชชาจึงเป็นที่ตั้งได้จึงเป็นอุปิยได้ จึงมีกําลังแรงมาก อ, อาวิชานี่ยบางคนเลยขอบคุณอวิชาเลยนะบางคนก็ขอบคุณอวิชานะที่ทําให้เราสองคนมาเจอกันว่าเราเราก็ขอบคุณอวิชาอนะในกลุ่มของบุงคนที่ก็เจอเป็นเพื่อนกันอลไรกันถ้าไม่มีอวิชานี่สมมุติว่าคนคนนั้นก็นิพพานไปแล้วใช่ไหมเงี้ยมีอวิชานะทำให้เห็นอย่างนี้มองหน้าขอบคุณอวิชานะเขาเป็นที่ตั้งเป็นอย่างดีอย่าเพิ่งพิจารณาขอบคุณอวิชานะทําให้เรารู้ใช่ไหมเนี้ยแต่ที่ไหนได้ขอบคุณไปขอบคุณมาเดี๋ยวอวิชาก่าเลยเลยนะ จัดการเลยก็ดักดก็เป็นกรอบดัดแต่ว่าเจริญกุศลมาทําให้ได้ตาใช่ไหมในที่สุดยิง ต, ตาอยู่ได้ไหมไอ้ตรงนี้ต่างหากแล้วกอกโอุ๊หบางทีมองหน้าดีนะตาได้ตาหูสมบกูกณ์ร่งกายเนะี่ยน่าจะดีวนะ่านั้นแต่ของมันเหมือนดีอะ่ะก็เลยไม่ดีอย่างนี้เขาเรียกไม่ดีพอได้มาแล้วก็ในที่สุดก็มาทําลายได้ดก็มาทําลายเนี่ยมันกะ็น่าเบื่อในชีวิตเลยนะถ้าเราจะสร้างบ้านมาสักหลังเดี๋ยวก็พังบ้านเล่นเดี๋ยวก็ปลูกบ้านใหม่เดี๋ยวก็พังบ้านเล่นเนี่ย ดูมันก็ชีวิตหน้าเหนี่นอยใช่ไหมใชแล้วเราก็ต้องปลูกบ้านกันอยู่ล่าไปอยู่เนี้ยพระปลูกแล้วเดี๋ยวก็พังด้วยเหตุปัจจัยมากมายแลย้วเินมันไม่ใชอวพังด้วยเหตุปัจจัยเดียวด้วยปัจจัยพังก็เยอะปัจจัยปลูกก็มากไม่ใช่มีแขนท่างเดียวแล้วทําบ้านได้มันมีอีกมากมายปัจจัยมากมายแล้วเลยบอกโอ้หน้าเบื่อนายนีม่มองแบบคคลักษณะของคนเบื่อเบื่อพบแต่มองมือแบบคนไม่เบื่อพบมันก็สนุกคนอื่นยังทําได้ปวกก็ยังไม่เบื่อในการสร้างรังรูง้ไหม เราเป็นมนุษย์จะเบื่อทำไมดูปวกเขาบอกต้องมาขยันหน่อยที่ดูปวกเป็นเป็นประการเราคัญเป็นลายใหญ่เลยตรงนี้มองไม่เห็นเป็นที่ตั้งจริงๆมันเป็นที่ตั้งของกองทุกข์เป็นที่ตั้งของกองทุกข์ถ้ามีอวิชชาตราบใดเนี้ยเดี๋ยวมันตั้งแล้วถามว่าเอ า, อ า, านี้อวิชชาในอดีตเนี้ยที่ผ่านมาหลายร้านร้านโกรธชาติเนี้ยเนีมันสร้างขันไว้รอเราไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าสมมติเนี้ยเอาเอากายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมไม่ต้องทําบาปเลยเนี้ยเราก็มีผลใน ในอดีตคอยสนับสนุนอยู่แล้วทั้งดีแล้วไม่ดีเพราะมันน่ากลัวมันมีอยู่แล้วผลในอดีตคอยสนับสนุนไม่ใช่โยนไม้ขึ้นบนอากาศเนี่ยไม้มันคลึงหัวคลึงท้ายเนี้ ให้เท่ากันโ ย, ยนชิลโอากาศเนี่ยกำหนดได้ไหมว่าทางทางไหนจะตกไม่ได้ชันใดก็ว่าเรื่องการไปเกิดในพบใหม่ก็อย่างนั้นเลยคํานวณไม่ได้ศาสโลกคํานวณไม่ได้เลยในกลุ่มที่มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกันเนี่ยมีปัญหาเป็นเครื่องประกอบไว้เนี่ยงมาโยนไม้เล่นกันเสียงโชกกันไปเล่นอย่างเงี้ยในประเภทนี้เนี่ก็เสียงโชกกันนี้ะไรก็เลยต้องโยนไม้กันองนั้นเล่นโยนบ่อยๆโยนขึ้นไปเดี๋ยวก็ร่วงลงโยนลงไปเดี๋ยวก็ร่วงลงมาเนี่เป็น อ, อย่า ง, งนี้ั้นในกลุ่มของการที่มีอวิชา เป็นเครื่องกลางกั้ปัญหาเป็นเครื่องประกอบตัดไว้จะเป็นเช่นนี้เราจะเป็นในลักษณะเช่นนี้ไม่รู้เลยนีเป็นอย่างไรนะงั้นคนะาว่าเป็นที่ตั้งเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นที่ตั้งมากมายเลยในชะ่ไหมเขาบอกว่าบางคนบอกโอ้โหเนี่เจริญกุศลอะไรมากมากมากมจะเจริญไป ถ้าเจริญกุศลเพื่อจะอยู่ในภพแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเสือป่าเสือป่าเลยที่จะเลิกเพื่อทําลายเพื่อไปทําลายสมบัติของตนเองเล่นเออจะพูดว่าเสือป่าหรือคนอื่นเขาฟังเราโอ๊ยทำไมอย่างนี้ใช่ไว่าสร้างอัธยาศสยเขาวะสร้างอัธยาศัเพื่อที่จะเป็นปัจจัยในการออกจากวัฏจักได้อยู่แล้วพันแรขนาดนั้นต้องเจริญกุศลไงเจะเดินได้วยามหน้าสามประโยชนดีสัยยามน้สามประโยชนต้องมีตามมรรคตาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมเพราะกรรมที่ ไม่ดำไม่ขาวก็มีนีหิบากไม่ดำไม่ขาวก็มีเป็นไปเ พ, พื่อการชื่นชมเนี่ก็จะได้ศึกษาแล้วก็จริลงกุศลก็ไม่ให้ชัดเจนถูกไหมถ้าอย่างนั้นก็ปราถนาพบเอาไม่ยอมพตอง น, นี้ปราถนาพบปราถนาแต่เป็นปราถนาเพื่อเป็นปนัจจัยเจตการค้นจากค้นเจตกัคนกค้นจากพบนั่นแหละค้นจากกรมอาพบครบรูปพบเลยท่านเขาเรียกเป็นที่ตามมากกั้ทตงทีนี้ถ้าฐานะันโดยการเป็นอารมณ์มีติดหมดไหมอวิชชาติดทุกอารมณ์เลยมอันนี้อยู่คำหนึ่งที่ท่านใช้คำว่ามีการปกปิดสภาวะของอารมณ์เป็นจิตสภาวของป ทั้งหมดเลยนะอารมณ์มี6ใช่ไหมอารมณ์ที่เข้ามาทางทวารตาก็ปิดไม่ให้รู้ตามความจริงจทางทวารตาทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาจะมีเส้นชงอรารมณารที่เข้ามาทางทวารตาเนี่ยอุชจาเนระ ตางก้านหมดเลยปัญหาก็ประกอบไว้ทุกอารมณ์ยินดีพอใจหรือว่าไม่พอใจอารมณ์นั้นก็ปราศจาอารมณ์ใหม่ดีอย่างเงี้ยทางทวารหูถ้าจะพูดไปบอกว่าสี่ล้านชาติแล้วที่ดูมาเราเคยเห็นตามความจริงในสีนั้นไม่เคยเลยในอดีตแต่เห็นตามความจริงแล้วตอนนี้ละฉันตราชาในสีสีนั้นได้แล้วก็พ้นกองทุกข์แล้วเอาทางทวารหูเนี่ยถ้าจะคํานวณแล้วเกิดชาติไหนที่ไม่มีหูก็ยากยัโดยมากมีเล่นไว้จะทํากรรมบางกรรมที่โดยทำให้หูไม่มีก็ว่าไปเด็กทวารจมูก ทวารลิ้นทวารกายซึ่งเหล่านี้เรามีทุกทุกทวารแต่ว่าไม่เคยรอบรู้ในทวารเหล่านั้นเลยอะไรเป็นตัวปิดอวิชชาเป็นตัวปิดเส้นทางกานโดยหมดโดยเฉ พ, เพาะทวารใจเนี่ยเกิดชาติไหนที่ไม่มีทวารใจอยู่เลยเว้นไว้อสัญญาตตมแต่ก็น้อ ย, ยที่ไปเกิดไปพบนั้นภูมินั้นแต่ก็มีเอายกเว้นหน่อยในสามสิบภูมิเนี่ยแปลว่าเราไปเกิดมันมีทวารใจหมดเลยว่างั้นอวิชชาปิดหมดม น, นี้อ้าวอวิชชาการตั้งปิดหมดเลยคือไม่ให้รู้ตามความจริงว่าของจริงๆเป็นยังไงตับไม่รู้เช่นของว่ามัน มันไม่สวยเราไปมองเห็สวยสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราไปมองเห็นว่าเที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราไปมองเห็นว่า เ, สสเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาเรามองเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนมันจะไปเห็นมันอยนู่ไม่รอบรู้ในขันในอายตนะในธาตุในสัจจะปิดในขาไม่รู้ตามความจริงของอารมณ์้ลยถ้าปิดแล้วเนี่ยที่จริจริงอริชาจะทําให้เราปฏิบัติผิดหรือถูกจะปฏิบัติผิดกายกรรมวิญกรรมโมโนกรรมก็ผิดโดยเฉพาะมโนกรรมก็น้องไปในสิ่งที่ผิดๆฉะนั้นสัตโลกทั้งหลาย มากแล AH so ้วเกินอยู่ไงที่จะิน้อมไปผิดๆเลี้ยวตู้เดินออกไปข้างนอกอย่าแปลกใจว่าทำไมมดเป็นมไปหมดนะนี่อย่แปลกใจจะให้กรดยังไงค้นนี่อย่างเราพ้นนี่อยในขณะที่วนก่อนนั่งรถไปพาหน้าขาตาก่อนนั่งรถไปแล้วไปแวะแวะไปเยี่ยมขาเพื่อมาจากบ้างถึงอั๋วหินควายเต็มไปหมดถ้าหากว่าในคาสานพระเจ้าก็ดูความพิชทั้งหลายเมื่อเธอหินตัดเหล่านี้แล้วให้พิจารณาและเราไม่เชื่อแต่สิ่อย่างนี้หมายถึงกลุ่มว่าบุคคลนี้มีดีเลสอยู่นะ เลยนะว่าเรายังไม่พ้นจากอัตภาพเช่นนี้นะบางคนโอ้ยสวยจังเลยเออโอ้ยตัวนี้สวยจังอ้อวนดึงจริงนี่คงเป็นรถไฟใหญ่เลยตรงนี้ใช่ไหมนีคิดคิดไปคิดมาโดยบาปเป็นได้โดยนิสชาดคิดนะโดยนิาตนี่เขาเรียกสิดในฐานะโดยความเป็นอารมณ์เพราะความเป็นนามนัปัจจัยของการไม่รู้ในทุกและทุกขสัจจะย่อม ติดการไม่รู้ทุกนั้นวะบางทีเราไปเชื่นชมอยู่นะไอ้ในกลุ่มของบุคคลนี่เข้าห้างขายสินท้านี่บ่อยสามารถกำหนดได้ไหมเห็น yep? ส um no <oh, <oh, no ิ่งของนั้นก็โอนี้พกนี้นี้พกอะไรเย็นขนาดนี้เคยกำหนดได้ขนาดนั้นนะที่ประเทศเข้าบ่อยๆเนี่ยหรือไม่ได้มีจิตเชื่นชมเลยพิจารณาที่จะเห็นดังว่าเป็นจริงได้เลหรือกำหนดไม่ทันเสียงเพลงก็เพราะแอร์ก็เย็นก็ว่าไงเนี่ย